จิตหดหูแก้อย่างไรถามมักเป็นคนมีจิตใจหดหูรู้ทั้งรู้ว่าไม่เป็นมงคลกับชีวิตควรจะแก้อย่างไรดีตอบตัวคุณคืออะไรลองตัดชื่อแท่ตัดตัวตนตัดวิธีคิดรวมทั้งตัดเหตุการณ์ทั้งหลายที่รายล้อมคุณออกไปให้หมดหรือแต่เพียงสภาพจิตอย่างเดียว จะพบความจริงประการหนึ่งนะครับนั่นคือจิตเรามีเบิกบานมีหดหูสลับกันได้เรื่อยเรืไม่จำเป็นต้องมีเหตุร้ายแรงให้เศร้าใจมากมายแค่เหนื่อยเหนื่อยหน่อยนั่งรถมือมองออกไปนอกหน้าต่างจิตใจก็มีสิทธิหดหูลงได้แล้วประเด็นคือแต่ละคนมีอาการลาดลงต่ำของจิตใจผิดแผกแตกต่างกันบางคนหดหูเดียวเดียวก็กลับระเริงราได้ใหม่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 เราถึงมักได้ยินคนบ่นปเปลยให้เพื่อนฟังทำนองไม่รู้เป็นอะไรเซ็งเบื่อไม่มีสาเหตุความหดหู่ต่อเนื่องยืดยาวจนจำสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้นี่แหละทำให้คนเบื่อหน่ายกับการมีชีวิตและคิดสั้นมานักต่อนักลองมาดูอุปนิสัยที่เราเราทำกับใจตัวเองแล้วหดหู่เก่งกันดีกว่า หนึ่งชอบเหม่อประเภทว่างเป็นไม่ได้ชอบทอดตาไกลๆจะฝันก็ไม่ฝันจะคิดธุรปปะป่าปังให้เป็นเรื่องเป็นราวก็ไม่คิดชอบรู้สึกอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตว่างเปล่าไม่มีความหมายแล้วก็ไม่อยากเติมค่าอะไรลงไปให้ชีวิตตัวเองเต็มถ้าเป็นแบบเนี้ยก็ขอให้ดูบรรดาสัตว์เลี้ยงใกล้ตัว ลองนั่งสังเกตพวกมันสักพักจะเห็นชีวิตว่างเปล่าขนาดแท้พวกนั้นไม่มีอะไรทําจริงๆครับวันๆมีหน้าที่เคลื่อนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งพอเห็นความเมื่อรลอยของพวกมันด้วยความตรหนักว่าไม่มีวันพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้อย่างที่เราสามารถทำก็อาจเกิดกำลังใจคิดอยากทําชีวิตให้ดีกว่าพวกมัน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 ชอบจมอยู่กับอดีตประเภทเหตุการณ์ผ่านมา20ปีก็ยังอุตสาหขุดขึ้นมาคิดเสียดายคุยขึ้นมาพูดดา่าสา์ให้คนใกล้ชิดรู้สึกผิดคนแบบเนี้ยเท่าที่ผมเห็นนะครับนอกจากจะมอลอยกดหูบ่อยและยังเจ้าโทสะเหมือนมีไฟกรุ่นอยู่ในอกหรือลุกเป็นเปลวขึ้นมาจากกระหม่อมทีเดียวและมีความจริงอยู่อย่างหนึ่ง คนชอบฝังใจอยู่กับอดีตนั้นมักบ่นหาถึงอนาคตที่ไม่มีวันมาถึงคือชอบหวังอะไรลมแลมแลงแงสมมุติอะไรที่เกินตัวและเป็นไปไม่ได้จริงเสมอผู้ได้เห็นภาพง่ายๆและรวดเร็วที่สุดคือทางชีวิตไม่เคยมีวันนี้มีแต่เมื่อวานกับพรุ่งนี้เท่านั้นหากยอมรับว่าเป็นคนประเภทที่ว่านี่ก็ขอให้เร่งแก้ไขนิดหนึ่ง พูดกันตรงๆตามชื่อขอล่ำนะครับจิตแบบเนี้ยถ้าตายไปก็ไม่พ้นต้องเป็นเปรตจํำพวกที่นึกว่าตัวเองยังไม่ตายเนื่องจากจิตวิญญาณเต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเหนียวแน่นและบดบังไม่ให้เห็นอะไรที่เป็นปัจจุบันเอาเลยเคยคิดเคยกลุ้มเคยพูดซ้ำๆซๆำซากๆอย่างไรตายไปก็จะคิดจะกลุ้มจะบ่นเพอ้อซ้ําๆซากๆอย่างนั้นร่ําไป แต่ขณะยังมีชีวิตมนุษย์อยู่เนี่ยพอปรับปรุงแก้ไขได้ก็ปรับปรุงซะเถอะหัดคิดเรื่องวันนี้หัดพูดถึงสาระประโยชน์เฉพาะหน้าพอจะหวนกลอบไปคิดมากเรื่องเก่าๆก็กลับมาอยู่ตรงหน้าใหม่ทำตัวไม่ให้ว่างล้วจะพบว่าเกิดความแจ่มกระจ่างทางใจมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์หดหูไม่กลับมาครอบงำอีกง่ายๆ สชอบมองโลกในทางลบประเภทเห็นข่าวดาราเตียงหักก็มานั่งวิตกว่าเหตุแบบเดียวกันอาจจะเกิดขึ้นกับเราบ้างหรือไม่ก็เอาแต่นั่งอ่านนั่งขนหัวลุกอยู่ทั้งวันเกี่ยวกับเรื่องโลกแตกกลัวสงครามโลกครั้งใหม่ปะทุกลัวน้ำมันจะแพงขึ้นถึงลิตรละสี่สิบกลัวต่อไปเชื้อโรคจะหอบมาตามลมหรือแฝงตัวอยู่กับอาหารการกิน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 หรือดูก็คัดคัดเลือกเลือกหน่อยไม่ใช่ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องอ่านข่าวมันทุกข่าวหรือติดตามข่าวร้ายเป็นซีรีส์กันทุกวันจากนั้นหันไปอ่านหรือหันไปดูข่าวที่เป็นมงคลเสบ้างมองตามจริงบ้างว่าแง่ดีในโลกเนี้ยยังมีให้มองอีกมากพอเริ่มมองโลกภายนอกในทางบวกก็จะค่อยๆหันมาเริ่มมองโลกภายใน ไม่เป็นลบตามกันไปเองเพื่อตัดเหตุแห่งความหดหู่ลงไปได้อีกข้อสชอบความเหงาเศร้าโดยไม่รู้สึกตัวประเภทนั่งคนเดียวเฉยเฉยแล้วน้ำตาพานจะไหลเป็นทางเหมือนไม่มีสาเหตุหรือฟังเพลงเพื่อคนอกหักแล้วร้องไห้เป็นวักเป็นเวนขณะเดียวกัน ก็พอใจกับห้วงภาวะเช่นนั้นโดยไม่อยากแก้ไขดัดแปลงถ้ารู้ตัวว่าเป็นประเภทนี้ขอให้สังเกตว่ามีแนวโน้มจะสงสารตัวเองไม่พบใครที่จริงใจด้วยหรือถึงพบก็ไม่รู้สึกว่าใช่ไม่อาจให้ความอบอุ่นกับเราได้ลองดูดีๆจะพบว่าความเหงามีสองประเภทคือเหงาและโหยหาความอบอุ่นแบบสักขาใจตายกับเหงา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 ให้ความอบอุ่นกับคนอื่นก่อนยังมีผู้ด้อยโอกาสในสังคมมากมายไก่กองที่รอรับการให้ก่อนจากเราอยู่เสมอถ้าทำแค่ครั้งสองครั้งอาจจะยังไม่เห็นผลอะไรแต่ถ้าทำประจําจนเป็นกิจวัตรกระทั่งรู้สึกถึงความสว่างความอบอุ่นแห่งที่แผ่ออกมาจากจิตคิดให้ของตนเองเมื่อนั้น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 เงื้อมเงาความหดหูกำลังเข้าครอบงมใจเราแล้วแทนที่จะติดนิสัยยอมโดนครอบอย่างเคยๆมาพอรู้สึกตัวก็หันไปทำกิจธุระอันใดอันหนึ่งทันทียิ่งถ้าเป็นธุระที่ทำให้ใจเบาใจสว่างด้วยก็ยิ่งเยี่ยมพูดง่ายๆลองหมั่นทำบุญและอ่านหนังสือธรรมะบ่อยๆจะเห็นเองว่าความมืดย่อมทนต่อแสงสว่างไม่ได้เป็นธรรมดา ความสว่างมาความมืดต้องหายไปแน่ๆครับ